เจ็ดสับปานกัวัคสองสับปานกาศิขาบทว่าด้วยการบริโภคน้ำที่มีสัตว์มีชีวิตเรื่องพระฉั พ, พคี3า7สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชัพพคีรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคบรรดาภิษุผู้มักน้อยพากันตาหนี ประนามโพลธนาว่าไฉนพวกพิสุชาวพัปปคีรู้อยู่ว่าน้ำมีสัตว์มีชีวิตก็ยังบริโภคเล่าครั้นพิสุทั้งหลายตำหนิพวกพิสุชาวพัปปคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ